วันนี้เป็นวันแรกของการเข้าพรรษาเรียกง่ายๆว่าวันเข้าพรรษาแลวลาพูดถึงวันเข้าพรรษาเนี่ยส่วนใหญ่ก็นึกถึงแต่พระนะเพราคิดว่าเป็นช่วงเวลาสำหรับพระทั่วประเทศนะในการมาเรียกว่าจำพรรษาหรือว่าอยู่ประจําอาวาสตลอด3เดือนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเข้าพรรษาเนี่ยมันมีความหมายสําหรับ ญาติโยมทุกคนด้วยนะที่นับถือตนว่าเป็นชาวพุทธหรือนับถือพุทธศาสนาเพราะว่าเขา้าวรรษาจริงๆเนี่ยความหมายก็คือการเข้าสู่ร่มงาสู่ร่มเงาแห่งธรรมในช่วงฤดูฝนนะวัฏสานี่ก็แปลว่าฤดูฝนฤดูฝนเนี่ยนะต้นไม้มันจเจริญงอกงามนะเขียวะจีสดใสนะยางรากลึกแป่กิ่งก้านสาขา แทงยอดนะให้สูงขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ต้นไม้นาพนาันเนี่ยเรียกว่าเจริญงอกงามแล้วมันก็เป็นโอกาสนะที่ธรรมะในใจเราก็จะเจริญงอกงามด้วยถ้าว่าเราใช้ช่วงเวลา3เดือนเนี่ยในการประพฤติ ธ, ธรรมสมัยก่อนเนี่ยญาติโยมหรือท่างก็ทุกวันนี้เนี่ยคารวาสก็ จำนวยไม่น้อยเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมจริงจังมากขึ้นในช่วงข้าพันษาเช่นมาจำศีลหรือถือศีลที่วัดนะบางคนก็ตลอดทั้งพรรษาเลยและไม่ใช่แค่ศีลห้านะหรือศีล8บางคนก็มาถือศีลแในวันพระนอนค้างที่วัดแล้วก็เถือโอกาสได้ฟังธรรม บางคนแม้จะไม่ได้เข้าวัดถือศีลแนะแต่ว่าก็ตั้งใจถือศีลหเล่าที่เคยติดก็งดคือมันเป็นช่วงเวลาของการประพฤติ ธ, ธรรมอย่างจริงจังเพื่อเกิดบุญกุศลแก่ชีวิตจิตใจนะต้นไม้นี่มันก็ต้องการน้ำอนะยากฝน เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามจิตใจเราก็ต้องการความดีหรือบุญกุศลหรือผู้ง่าคือธรรมะซึ่งมันไม่ได้มาจากฟ้าไม่ได้มาจากใครแต่มันต้องเกิดจากการปฏิบัติเพราะในขณะที่ต้นไม้กำลังเจริญงอกงามเนี่ยนะสาธุชนจำนวนมากก็ตั้งใจที่จะ ประพฤติ ธ, ธรรมหรือว่าทำบุญกศุศลให้มากขึ้นเพื่อให้จิตใจเจริญงอกงามอย่างน้อยๆก็ช่วงสามเดือนนี้เป็นโอกาสที่ดีอันนี้เราก็ต้องรู้จักนะประพฤติ ธ, ธรรมหรือว่าสร้างความดีให้เหมาะสมกับตัวเองจะทำตามประเพณีก็ได้ ถือศีล5ศีล8หรือบางคนถือศีล5แล้วทำได้ดีแล้วก็ควรจะทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่า น, นี้อาจจะถือศีล8หรือว่าทำความดีเพิ่มขึ้นอย่างสมสมัยศีล8ดโดยเฉพาะศีข้อ6ข้อ7เนี่ยนะ ที่จริงรวมไปถึงข้อด้วยมันเป็นไปเพื่อลดความยึดติดในการมสัสนะไม่ว่าจะเป็นความสุขจากเพศสัมพันธ์ความสุขจากการกินหรือความสุขจากการร้ อ, องราทําเพลงบรรเลงดนตรีรวมทั้งการประดับประดาพูดง่ายคือความบันเทิงเริงร่ม อันนี้มันก็เป็นการมาสุขที่คนหลงไหลแต่ก็สร้างความทุกข์แกผู้คนนี่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักรดรู้จักละรู้จักห่างไกลาจากมันบ้างแล้วก็อาจจะไม่ใช่เป็นความบันเทิงเริงรมตามรูปแบบเช่นร้องลําทำเพลงแต่ จ, จะเป็นเพราะว่าติดซีรีส์เกาหลีหรือว่าติดนะ เกมออนไลน์ติดดูละครไอ้พวกนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ากับสีนข้อ7โดยตรงนะสีข้อ7็นี้ก็ไม่พูดถึงเรื่องเกมออนไลน์แต่ว่ามันก็เป็นอบอายมุกอย่างหนึ่งนะซึ่งมันทำให้คนเนี่ยพอหลงติดแล้วก็เรียกว่าทำความดีได้ยากชีวิตก็ไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่ นั่นถ้าเราใช้โอกาสช่วงคำปราศเนี่ยลดซะหรือไม่ก็ละไปเลยเนะตั้งใจว่าในพรรษานี้จะไม่ดูหนังละครภาพยนตร์ทางเนะ็ตฟลิกหรือว่าทางแอปไหนก็ตามจะเลิกนะงดเล่นเกมออนไลน์หรือเกมทางโทรศัพท์มือถือ หรือถ้าอย่างเสาว์ลำบากก็อย่างน้อยก็ทำแค่วันละครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงคนระับอันนี้คือสิ่งที่เราควรทำนะแต่บางคนก็อาจจะติดกาแฟนะติดอาหารที่มันเป็นโทษต่อสุขภาพนะเนื้อนมไข่น้ำตาลนะรู้สึกอ้วนมากไปแล้วนะก็ลดซะบังหรืองดไปซะเลย นี่เราว่าเป็นการฝึกทางกายนะฝึกทางกายเนี่ยมันทำได้หลายอย่างนะนอกจากฝึกในการควบคุมการเสพไม่ว่าทางตาทางปากนะหรือว่าทางอื่นแล้วเนี่ยเรายังสามารถฝึกนะกายได้อีกนะการรักษาสี่ก็เป็นเรื่องการฝึกกายที่เราพฤติกรรม แต่ว่าเราสามารถจะฝึกในทางที่ไม่ใช่ลดละแต่เพิ่มเช่นทำความดีด้วยการเป็นจิตอาสาหรือด้วยการออกกำลังกายสม่าเสมอทุกวันนะี่เกดตื่นเช้ า, าออกกำลังกายจนกระทั่งสุขภาพก็ไม่ค่อยดีแล้วนะถ้าเรารู้จักนะลุกมาออกกำลังกายตลอดพรรษานี้เราจะวิ่งทุกวันออกกำลังกายทุกวนนันนี้ก็เป็นเรื่องดีหรือไปเป็นจิตอาสาอาทิละครั้ง ที่วัดก็ได้หรือที่ไหนก็ได้แล้วเราฝึกนะทางด้านกายก็ได้หรือฝึกทางด้านวาจาก็ได้นะคนที่ชอบบน่นชอบจูจ่จี้บางทีบ่นใส่คนรอบข้างใส่ภรรยาสามีบ่นใส่ลูกบางทีไม่ได้บ่นอย่างเดียวนะต่อว่าด้วยความโกรธนะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นผลเสียนะทั้งกับเราแล้วกับผู้อื่นแล้วก็ลองฝึกดูนะ อย่าเพียงฝึกแค่ว่าเออไอสี่ข้อที่4เราจะไม่โกหกแต่ว่าเราจะทมยิ่งกว่านั้นนะพูดเพ้อจะพูดนินทาเราก็จะลดจระหรือจะฝึกด้านจิตก็ได้นะฝึกจิตให้มีสมาธิมีสติเช่นสวดมนต์เป็นประจำทุกวันก่อนนอนหรือว่าฟังธรรม ของครูบาอาจารย์อย่างน้อยวันละกันหรือดียิ่งยิงนั้นคือเจริญสตินะทาสมาธิวันละครึ่งชั่วโมงวันละหนึ่งชั่วโมงก็ว่าไปมันเป็นช่วงของการประพฤติทำฝึกฝนตนนะไม่ว่าจะเป็นการลดละเลิกสิ่งที่ทาความทุกข์ให้กับชีวิตจิตใจหรือว่าทาสิ่งดีๆที่มีประโยชน์นะ ช่วเสริมสร้างคุณภาพชีวิตไม่ว่าด้วยการควบคุมหรือฝึกฝนกายหรือว่าควบคุมฝึกฝนคําพูดคําจาหรือว่าควบคุมฝึกฝนด้านจิตนะอันนี้เราเนี่ยเริ่มต้นได้เลยนะวันนี้โดยเพราะถ้าเราตั้งจิตนะแน่ๆที่จะทําซึ่งทางพระเรียกว่าอาธิษฐาน เมื่อเช้านี้พระทงวัดก็อธิษฐานพันษาไปแล้วมันก็เป็นพิธีกรรมนะแต่ว่าก็ควรจะตั้งใจนะทำอย่างที่พูดแต่ถ้าบางคนหรือจะเรียกว่าส่วนใจก็ได้ไอการที่จะอยู่วัดให้ตลอดสามเดือนนี้มันไม่ใช่เรื่องยากดังนั้นก็ควรจะทำอะไรให้มากกว่า น, นั้นนะ อย่างตัวอย่างที่พูดมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของคาราวาสอย่างเดียวนะของพระก็จําเป็นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ชื่อของพระนี่นก็นับวันจะใกล้เคียงกับชื่ิของคาราวาสมากขึ้นเพราะความสะดวกสบายนะและความหย่อนยานยางั้นถ้ากิดว่าเราตั้งใจควบคุมกํากับตัวเองอะไรที่ไม่ดีที่เป็นจุดอ่อนตัวเองก็ทําให้น้อยลงหรือว่าลด ละไปเลยอะไรที่ดีแต่ทำน้อยผัดผ่อนอยู่เรื่อยอก็ต้องพยายามทำให้มากขึ้นไม่ต้องมากนะแค่อย่างสองอย่างบางคนเพื่อเอการกินมากก็ตั้งใจว่าพรรษานี้ก็จะกินแต่บางสาวิรัตนะหรือว่าะจะงดเว้นพวกน้ำตาลเพราะมันทาให้เปนโรบอ้วนนะผลไม้ ก, กับปล่องนะ ที่เคยฉันทุกวันนะโดยเพราะเวลาเย็นก็ ง, งดเพราะว่าน้ำตาลทั้งนั้นกาแฟก็ดีก็เหมือนกันเห็นเว่าเราใช้โอกาสเนี่ยนะในการฝึกฝนต น, นก็เรียกว่าเราเข้าหาธรรมได้ใกล้ชิดมากขึ้นหน้าฝนมันจะไม่ใช่เป็นประโยชน์นะกับต้นไม้ใบหญ้าหรือว่าพืช น, นานาพันธุ์อย่างเดียวนะแต่เป็นประโยชน์ต่อเราด้วย เกิด <S an> มาทั้งทีก็ควรจะใช้เวลาที่มีเนี่ยในการทำคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลหรือพัฒนากายวาจาใจให้เจริญ ง, งอกงามพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเรื่อยๆที่จริงก็ควรจะทำทั้งปีเลยนะหรือทาไปตลอดแต่น้อยเนี่ยมีช่วงเวลาที่พิเศษมันก็จะช่วยกระตุ้นให้เราเนี่ยทำสิ่งนี้ได้จริงจังมากขึ้นเพราะว่ามีคน ทำเป็นเพื่อนเรานี่เรียกว่าทั้งประเทศเลยใครคนนี้ก็ทําคนนั้นก็ทำอาเราก็เกิดกําลังใจนะที่จะทำบ้างถ้าไม่มีเพื่อนทําทําคนเดียวบางทีก็รู้สึกอ่าขาดกําลังใจหรือมีข้ออ้างแต่พอคนรอบตัวเ้าทําเนี่ยเราจะอยู่นิ่งเฉยก็กระไรอยูย่ก็ควรจะทําอะไรที่มันดีม้างแล้วอย่างที่บอกนะพรรษา น, นี้ก็ อธิษฐานหรือแสดงความตั้งใจที่จะทำานี่ยแค่อย่าง2ออย่างพอไม่ต้องมากแล้วควรจะเป็นรูปธรรมด้วยเป็นรูปธรรมเช่นถ้าจะงดโซเชียลมีเดียงดเกมนะงดกาแฟาก็ต้องบอกเลยนะว่าจะงดอย่างไรเลือกไปเลยไม่ใช่บอกว่าจะทำดีที่สุดไอ้คำว่าทำดีที่สุดนี่ไม่มีความหมายเลยเป็นเพียงแค่ข้ออ้างต้องบอกไปเลยว่างดหรือว่าจะ เสพจะดูแค่วันละชั่วโมงนะหรือว่าถ้าเป็นคนขี้บน่นก็อาจจะบอกว่าเนี่ยจะเนี่ยให้บ่นได้เนี่ยวันละสามครั้งนะจะไม่บ่นเลยก็ถ้าทำได้ก็ดีนะแต่ไม่ใช่บอกว่าทำดีที่สุดนะซึ่งมันกลายเป็นว่าทำเท่าไหร่ก็ได้